พระธรรมเทศนาแผ่นที่108ดลำดับที่18โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่สองสิงหาคม2560มีชื่อเรื่องว่าทรงจิตออกนอกเป็นเหตุให้เกิดทุกข์วันนี้เป็นวันพุทธที่สอง สิงหาคมพุทธศักราช2560บวันนี้เมื่อวานคิดว่าฝนจะไม่ตกมันก็ยังไม่ทิ้งทีเดียวก็ยังตกอยู่แต่ก็ไม่มากแต่วันนี้รู้สึกว่าอากาศแดดแจ่มแต่เช้าแล้วอากาศรู้สึกว่าร้อนนะจะมีฝนอีกมาอีกละลอกอีกก็ไม่สราบเหมือนกันนะอากาศอย่างนี้อากาศอ้าว นะพวกเราอยู่ใต้ฟ้าอากาศอยากจะให้ได้อย่างใจเราทุกคนเป็นไปไม่ได้ทั้งตกด้วยทั้งร้อนด้วยทั้งหนาวด้วยทั้งท่วมด้วยทั้งแรงด้วยมันเป็นได้ทั้งนั้นเหละจะทำยังไงถ้ามันเป็นอะไรมาเราก็ต้องรับแล้วก็พิธีการแก้ไขที่มันเกิดขึ้นแล้ว ถ้าพอที่จะแก้ไขได้แล้วก็แก้ไขถ้าแก้ไขไม่ได้ก็สุดวิสัยสุดวิสัยเราต้องทำไงเอาตัวรอดเอาตัวรอดของไขรของเราเถนี่ยมันสุดวิสัยละถ้าว่ามันพอมีวิสัยที่ที่จะแก้ไขได้อยู่เราก็ต้องช่วยกันแก้ไขในเรื่องที่ในเรื่องที่มันเกิดนั้นนะทำมันสุดวิสัยแก้ไขไม่ได้ทํายังไง ตัวใครตัวเราอะไแต่นี่เอาตัวรอดเนี่ยแหละเราอยู่ในเราอยู่ในโลกนะ้มันเป็นอย่างนี้กณัชธายาจโยมทาจะว่าไปแล้วก็ยืมยื ม, ย, มยืมวันอยู่ยืมเป็นอยู่เป็นชั่วคู่ชั่วขณะแต่บางขั้นบางทีเราก็คิดว่าเราเก่งเอาตัวรอดได้ แต่พอมันเอาเข้าจริงๆธรรมชาติธรรมชาติมันเหนือกว่าที่เหนือกว่าที่เราคิดไว้เหนือที่เราคิดไว้เนะี่ยเราก็สู้มันไม่ได้เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นสีนามิเนะี่ยเราก็ไม่เคยคาดไม่เคยคิดเหมือนกันว่าจะเกิดอย่างนั้นในเมืองไทย แต่พอมันเกิดขึ้นมาก็โหมันไม่ใช่ตายน้อยเลยในในละแวกของเรา เ, เมืองไทยของเราในระดับหนึ่งแต่ดูผู้ติดทะเลันดูดูฟังฟังดูแล้วมันไม่ใช่น้อยเลยหลวงพ่อไปอินโดนีเซียแล้วําถามดูอินโดนีเซียเสียหายไหมสีนมามิเมื่อ เกือบสิบปีให้หลังนะโอ้โหเสียหายมากกับเนี่ยนะจะทำยังไงอันนั้นมันสุดวิสัยถ้าอยู่ในวิสัยก็เห็บมันมากูวิ่งขึ้นเขาแต่เนี่ยมันวิ่งไม่ถัดในทีมันไกลใช่เนี่ยแหะวิ่งขึ้นสูงที่สูงที่สุดบางคนก็นสูงที่สุดแล้วยังไม่รอดอีกยังไม่พ้นอีก นี่แหละอันนี้ก็คือธรรมชาติแต่ว่ามรณะภัยเนี่ยความตายจุดนี้นะ่ะหนียังไงกน็นี้ไม่พ้นจุดนี้นะตั้งแต่ไหนแต่ไรมาหนีไม่พน้นแต่พวกเราก็ยังลุ่มหลงมัวเมาไม่ใช่น้อยอีกเหมือนกันไปเพีย น, นาดูนะทบทวนนนะ ถ้าหลวงพ่ออายุถึงขนาดนี้หลวงพ่ อ, อยังนั่งคิดทบทวนอยู่โอ้มนุษย์คิดว่าตัวเองจะอยู่ช่วฟ้าดินสลายตายไม่เป็นแต่ผลในสุดมันไม่มีใครที่จะอยู่นานเท่านานได้มันก็เหมือนกับเต่นที่เกละครลักษณะอย่างนั้น อ, อพอออกมาเนี่กระโดดกระโดดโลดเต้นเป็นเท้าเป็นนางเป็นเจนาอมาัมบั เป็นลือสีสีไพรสุดแท้แต่ตัวละครจะออกมาเพรานส่วนก็เก็บฉากหายเงียบไปนี่ก็ลักษณะอย่างนั้นเหมือนกันพอเราเอามาเกิดนะเนี่ยเาเดี๋ยวนี้เขาเนี่ยก็สมมติว่าหลวงพ่ออินใช่ไหมละ่ะเป็นพระสมมุติไปเป็นตัวลือสีตัวหนึ่งจากนั้นก็นแต่และตัว แต่และตัวอีกตัอย่างพวกเรานั่งอยู่เป็นตัวละครทั้ ง, งหมดอีกสักวันนึงเขากากรลุกโพยออินก็เก็บฉากต่างคนก็เก็บฉากของใครของเราไปหยุดเล่นเพราะอะไรเพราะมันจบเกมแล้วนี่แหละมันลักษณะอย่า ง, ง น, น, บบนั้นโลกระบเนี่ยเพราะนั้นพระพุทธเจ้าพระหัตถสาวกทั้งหลายท่านจึงไม่ มองอย่าให้อย่าลืมตัวนะในหลักธรรมคำสอนของครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงปูด่ดุลท่านพูดสั้นๆแต่มีความหมายท่านบอกว่าถ้าว่าผู้ใดก็าตามส่งจิตออกนอกอ น, นั่นแหละคือสมุทยัยเหตุให้ทุกเกิด ถ้าจิตที่อยู่กับตัวเองอยู่ในสมาธิจุดจิตใจห ย, ยุดกับสติสัมปะชัญญะอยู่กับตนเองนั่นแหละเป็นมรรคมรรคแปลว่าเป็นหนทางที่จะเดินไปสู่มรรคผลนิพพานได้เพ่อในให้พวกเราท่านพูดตรงมากเลยหลวงพ่อยอมรับท่านว่าทรงจิตออกนอกคือสมุทัยแต่แตามไม่จริง การที่จะส่งออกนอกส่งไปเพื่ออะไรส่งไปเพื่อวิเคราะห์เรื่องแนวความคิดหาเหตุผลในการดํารงชีพในการเป็นอยู่มันก็ยังพอพอเป็นมักพอดําเนินชีวิตของตนเองก็ต้องได้คิดได้อ่านวางแผนแต่ถึงยังไงก็ต้องเป็นสมุทัยอยู่แต่ว่าสมุทัยตัวนี้นะ่ะ ถ้าวางแผนไปในทางมิจฉาทิฐิไปว่าตรงๆเลยเป็นเหตุให้ทุกเกิดถ้าวางแผนไปในสัมมาทิฐิการวางแผนไปในทางที่ถูกต้องมันก็ยังเป็นหนทาง เ, เกื้อกูลหนุนกันหนุนนอกและหนุนในหนุนนอกก็คืออะไรคือสัมมาชีพเราประกอบสัมมาชีพในการทำมาค้าขายทำมาการทำการทำงาน การเรียนหนังสือิีหลายอย่างที่เป็นสัมมาชีพมันก็หนนขึ้นมาทางด้านจิตใจด้วยมันเป็นมักเมื่อเราทำถูกข้างนอกแล้วนะมันโหนเข้ามาข้างในเมื่อข้างในกันเราอยู่ในสถานะเป็นพระไม่ปัจจัยสีไม่ขาดไม่ขาดตกบกพร่องพอเป็นไป อย่างพระอย่างนีนะ้เราก็พร้อมที่จะหันหน้าหันตาตัว่ตั้งอกตั้งใจประพุทธปฏิบัติหาทางพ้นทุกต่อไปไม่ได้นิ่งดูได้ไมีแต่ว่าจะทานอาหารกินข้าวเป็นวันๆไปจบเป็นวันๆไปแล้วจกกินแล้วก็ทายไปเป็นถาดเป็นขี้ข้าของท้องพอมันหิวก็มาแล้วก็หามายัดใส่ พอมายัดใส่ระบายออกไปมาวันพุนอหิวอีกยัดใส่เอกเราจะคิดได้เพียงแค่นั้นเหรอถ้าคิดได้เพียงแค่นั้นก็แสดงว่าเราไม่ได้วางแผนไม่ได้คิดให้เกล้าไกลไม่ได้วางแผนแนวทางที่หลักธรรมคำสอนที่พระพุทธเจา้าท่านท่านวางท่านให้พวกเราคิดให้ศึกษาในจุดนี้ ถ้าเราศึกษาในจุดนี้แล้วเราจะรู้ได้ว่าแนวแถวของพุทธนะเป็นทางออกทางหนึ่งที่พระพุทธเจ้าไปค้นคนว้าศึกษาทางออกของพุทธะหนึ่งคืออะไรก็คือเนี่ยเรื่องจิตภาวนานะอันนี้เป็นเป็นทางออกว่าจิตใจของเรารู้แจ้งเห็นจริงจิตใจเป็นสมาธิดีเป็นพื้นฐาน อย่างนั้นนำมาพิจารณาการกรองไตรตองเหตุและผลสรุปแล้วก็คือทมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยรือว่าหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสเนี่ยไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่อื่นไกลเลยมันอยู่ที่ใจทั้งหมดมันรวมอยู่ที่นี่ทั้งหมดใจมันไปรักใจมันไปหลงใจมันไปโกรธใจมันไปไปโลภใจมันออกไปแสดงอกับกริยามากมายร้อยเร่พันเลียม สรุปแล้วก็คือตัวกิเลสภายในใจที่มันออกไปแสดงออกไปนั้นในเมื่อเราเห็น ร, ร, รู้เรื่อ เ, เรื่อเล่เลียมไปในทางที่ผิดเป็นสมุ ท, ทยัยตรงไหนเป็นสมุ ท, ทยัยเป็นเหตุให้ทุกเกิดเราก็มองดูแล้วก็ตัดสกัดเอามักมักคะคือทางเป็นหนทางที่ถูกต้องสิ่งไหนที่มันไม่ดี เราจะไม่ทำเราจะไม่คิดเราจะไม่ทำเราจะไม่พูดนะสกัดสกัดเข้ามาเรื่อยๆจนถึงสกัดเข้ามากบถึงกระทั่งดุกเด็กดุกเด็กในใจมันหาทางออกไม่ได้ในเมื่อมันดุกเด็กในใจิตใจเราก็รู้ว่าอันนี้คือสิ่งไหนไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ใจิตใจมันไม่เที่ยงนะพอเข้ามาดูมันไม่เที่ยงนะ เขาว่าไม่เที่ยงเลยคือมันดุกดิกมันต้องคิดคันคิดนี่คิดนี่คิดนั่นคิดนั่นคิดนี่ทั้งวีทั้งวันเอพอมันคิดแล้วมันกันนะ่ะมันส่งออกไป ม, มันเอาทุกข้ามารนะสิ่งไหนไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกในธรรมธรรมในธรรมคาสอนของพุทธานสิ่งไหนเป็นทุกสิ่งนั้นเราจะมายึดว่าเป็นตัวตนของเราได้อย่างไรนเราก็ต้องปล่อยวางปล่อยวางที่ใจนะธรรมะของพระพุทธเจ้านะ แต่ถึงอย่างไงอย่างไงพิจารณาไปยังไงกับพิจารณาไปเถอะต้องย้อนกข้ามาหาตัวผู้ผู้รู้คือใจนะถ้าไปวางที่อื่นไปเห็นที่อื่นไปเห็น อ, อ, อินพรมเทวบุตรเทวดานระกสวรรค์มันส่งนอกออส่งไปอย่างนั้นการที่ส่งจิตออกนอก เ, ออเป็นสมุทยัยต่อมาก็มาย้อนเข้ามาหาตัวเองเป็นเหตุให้ทุกเกิด สมุทัยเป็นเหตุให้ทุกเกิดทุกสมุทยัยนิโรธมักมักอริยะสัตสีทุกแตามไม่จริงที่หลวงพ่อได้พูดไว้ในหนังสือเล่มเล็กๆหลวงพ่ออธิบายในนั้นสมุทัยซะก่อนจึงค่อยทุกและก็มักซะก่อนก่อนนิโรธถ้าเป็นภาษาไทยของเรานะไม่กระดกกระเดก ถ้าเป็นบาลีก็อย่างว่าเป็นภาษาของท่านท่านก็รู้ความหมายแต่มาเรียงลำดับขึ้นมาแล้วก่อนที่จะเขียนเป็นเลขสิบแล้วต้องก้องเขียนเลขหนึ่งซะก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไม่ใช่ว่าเลขห้าเลขแปดเลขหกเลขหนึ่งพูดอย่างกับพูดได้แต่มันไม่เรียงตามลำดับ ถ้าเรียงตามลำดับนั่งหนึ่งสอ่หนี้ก็เหมือนกันถ้าเรียงตามลำดับให้เราเข้าใจง่ายนะั่นก็คือสมุทยัยทุกขมรนิโรธสมุทยัยเหตุในทุกเกิดสาเหตุในทุกเกิดคืออะไรกา마ตหาภวตฐาวิภา ว, วตฐากา마กา마ตฐาคืออะไรคือความทะเยอทะยาน ในกา ม, มกิเลสคือกาบมะลาคาาะพราะวัตรหาคืออะไรคือถายาอยากอยากเป็นนู้นอยากเป็นนั่อยากเป็นเจ้าอยากเป็นนายอยากเป็นออะไรต่อไม่อะไรแต่ถ้าอยากเป็นพระหรหันต์เนี่ยท่านว่าเป็นมครคนะอันนี้ให้ฟังเอาไว้นะถ้าอยากเป็นพระหรหันต์เนี่ยเป็นมรท่านว่าหลงตามหาบวาัวท่านว่าถ้าอยากอย่างอื่นเป็นสมุทยัยแต่ถ้าหากว่าอยาก อยากจะเป็นพระอรหันต์อยากจะพ้นทุกข์ในวัฏฏะสงสารจะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดอันนี้เป็นมักท่านมาถ้าบอกเมื่อคนถ้ามอกไม่มีความอยากเซะเลยเนะี่ยเหมือนคนตายแล้วมันไม่อยากถามเลยอยากอะไรไหมนะไม่อยากอะไรทั้งหมดพราคนตายแล้วในชะ่ถ้าบอกคนยังมีชีวิตอยู่อยากอะไรนะถ้าอยากเป็นสิ่งภายนอกนะเป็นสมุทยัยเป็นเหตุให้ทุกเกิดแต่อยากพ้นทุกอยากพ้นทุกทําไงให้นั่งภาวานาปฏิบัติ ดูจิตตูใจของตนเองชำระใจของตนเองผลที่สุดก็ไปได้เพราะว่ามันมีความอยากอยากจะพ้นทุกข์ไม่ยาไม่อยากมาเวียนว่ายตายเกิดอีกนี่แหละอันนี้ก็คือความพยายามอยากจุดนี้กอยากอะไรอยากพ้นทุกข์หรือว่าอยากต่างอย่างอื่นอยากมียอยากมั่งอยากมีอยากร่ำอยากยวยรวยอยากสวยอยากงามอยากมีไอ โลกธรรมสี่มีลาบมียศมีสรรเสริญมีสุขอันนี้เขา อ, อยากอันนี้เป็นเป็นสมุทยัยจากนั้นกรทุกสมุทยัยนิโรธทุกกามัตตัญหากามตัญหาคือความทะยานอยากในกามเภาวะัญหาอยากมีลาบมียศทะเยอทยานอยากวิภาวะัญหาไม่อยาก ค, tai, like คำว่าไม่อยากคำน Six ี้คืออะไรไม่อยากตายไม่อยากแก่ไม่อยากทุกไม่อยากสิ่งไหนที่ไม่พึงปราธนาไม่อยากเป็นอย่างนั้นคำว่าไม่อยากคำนี้ก็เป็นทุกข์อีกเหมือนกันนะไม่อยากตายก็เป็นทุกข์นะไม่อยากแก่ก็เป็นทุกข์ไม่อยากคำว่าไม่อยากไม่สวยยอยากสวยอยากสวยก็เป็นทุกข์นี่แหละจะทำยังไง คนที่ไม่สวยอยากจะสวยนะก็เป็นทุกข์ น, ะนี่แหละเหตุคำว่าอยากทำนี่น ะ, ะก็ว่าสมุทัยเป็นเหตุในทุกเกิดนะพอพอเกิดขึ้นมาแล้วเรานั้นเป็นทุกข์ใจนะ่พอเป็นทุกข์ใหเอามักมาแก้ไปนะเอามักมาแก้ก็คือมักก็คือนะสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกรปร คือความเห็นชอบดําริชอบการงานชอบเลี้ยงชีวิตชอบสติชอบสมาธิชอบนะอันนี้ก็คือมักแปะมาแก้กิเลส ต, ตัวเนี้ยตัวที่มันตัวที่มันทุกเกิดขึ้นมาเนี่ยเอามักมาแก้พอมากแก้มาแก้เสร็จแล้วเนี่ยเกิดสมบูรณ์ขึ้นมาคือวันรู้แจ้งเห็นจริง นี่โกรธคือความดับทุกข์พวกรู้แจ้งเห็นจริงมันกระดับทุกข์พอเดินทางถูกต้องแล้วนี่แหละสรุปแล้วก็คือหลักของพุพทธศาสนาเนี่ยมันอยู่ที่ไหนเนี่ยมันออกมาจากใจทั้งหมดเหมือนกันเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะแต่ว่าถ้าเราจะคิดยังไงเป็นจึงจะเข้าถึงจุดใจได้ ไม่มีทางอื่นนอกจากสมาธิสติสัมปะชัญญะนะตน้องเน้นถึงสติสัมปะชัญญนะสติคือความระลึกได้สัมปะชัญญะคือความรู้ตัวนะให้อยู่รู้ตัวอยู่ตลอดถ้ามีสติสัมปะชัญญะอยู่กับตัวเองแล้วจากนั้นก็เป็นสมาธิเมื่อเป็นจิตใจที่เป็นสมาธิแล้วก็พร้อมที่จะเดินวิปัสสนาให้รู้แจ้งเห็นจริงให้เห็นตามความเป็นจริง ใจของเราคิดอะไรอ ม, มันปุงฟุ้งไปเรื่องอะไรเราจะรู้รายเห็นได้สรุปแล้วมันกิเลส ท, ทั้งหลายแหลมไม่ได้อยู่ที่ไหนนะที่เราปฏิบัติเอาเป็นเอาตายอยู่นี่เพราะมันกิเลสตอนนี้มันติดพภพติดชาติมันติดม า, าตั้งแต่แต่ดวงวิญญาณมาเกิดขึ้นมาใหมนะ่เลเป็นไส่ดักไส่เดือนเป็นตัวพุงตัวนอนอจากนั้นก็เป็นตัวใหญ่ขึ้นมาจนเป็นมนุษย์นะี ขนาดไปเกิดเป็นพรหมไปเกิดเป็นเทวดานะกิเลส ต, ตัวนี้ก็ยังติดอยู่ในจิตใจแต่ไปถึงพรหมนะคล้ายๆว่าไปอยู่ในขั้นระดับเหมือนกับใจพักผ่อนนอนหลับลักษณะอย่างนั้นะไปเป็นพรหมนะกิเลส ต, ตัวนี้มันพักพักเหมือนกับก้อนหินทับญ้าเนะี่ยยามันไม่เกิดในจุดนั้นะทับไว้ก่อนแต่หมดกําลังฌานหมดกําลังสมาธิแล้ว ก้อนหินพลิกออกแผ่นกระดานพลิกออกยิ่งงามกว่าเก่าอีกไอ้ญาตัวนั้นอนะ่ะยิ่งงอกเงยงามกว่าเก่าอีกนะีนี่แหละถ้าหาว่าสวรรค์เนี่ยไม่แหละเทวดาเนะี่ยยังอยู่ในกิเลสรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอยู่เทวดานะแต่มีพรมท่านแนหะขึ้นไปล ะ, ละงับไว้ซะก่อนเหมือนกับหินทับญาและกระดานทับญาตนะมันงอกไม่ได้ ในขณะที่ยารณรัศนชาญควบคุมอยู่ น, ะนี่แหละออกจากนั้นมาแล้วกันนะมาเกิดเป็นมรุตไม่ต้องว่าดนะเพราะนั้นกิเลส ต, ตัวเนี้ยตัวที่เราจะสกัดออกจา ก, กจิตใจของเรานะี่ยมันไม่ใช่ของง่ายงายหลวงปู่ล่าท่านยังบอกว่าถ้าหากว่ามองเห็นความศุกอยู่เนทะ่าเม็ดงาขาลิ้น ผู้นั้นก็ยังติดอยู่ในภพในชาติยังกิดอยู่ในกิเลสตัณหาราคะโทสะโมหะอยู่ถ้าว่าเห็นเห็นพิษเห็นภัยตลอดเลยเกระทั่งเท่าเม็ดงาขาเลนก็ยังไม่มีข้ามาสุขเข า, เาว่าสุขในโลกนะี่มีนั่นนะเกิดความเบื่อหน่ายคลายขนาดนั้นละ่ะมันจึงจะพ้นทุกนิวริตาสงสารได้นะพวกเราท่านทั้งหลายนะ พอมันกิลเลสตอนนี้มันกิลเลสติดพบติดชาติจริงๆเองก่อนที่จะมาหรือให้ทําความเข้าใจเนมันไม่ยอมเข้าใจ อ, อทั้งที่มันเรื่องน่าจะเข้าใจแต่มันไม่ยอมเข้าใจเหตุผลมีไหมใช่เหตุผลมีแต่ไม่ยอมรับเหตุผลเหตุผลนะัน่นแหละมันจุดนั่นแหละมันยากกิเลสเนี่ยนะพวกเรานะเ อ, อหาเหตุผลหักล้างมันหักเท่าไหร่มันก็หักไม่ลงเพราะมันไม่ยอมรับนะ อาต่อในไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรละพร